ชาจามก็คือหนูเพิ่งกับมาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านโค้ชก้าเมื่อวานนี้ค่ะก็หนูก็ปฏิบัติในสักพักแล้วแล้วหนูจะทําอะไรวิธีนะคะคือคือหนูไม่อยากจับชายแบบนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เขาเขาสอนแล้วเขาเขาให้เราทําตามแบบไหนทีนี้รวมๆแล้วมันก็จะเป็นลักษณะว่าให้เราสังเกตดูความรู้สึกทางส่วนนะคะ ก็หนูเข้าปฏิบัติปัญญาปสติมนด้วยลงถึง โ, โ, โ, โ, โ, โุด้วยนะคะทีนี้จากหลักสูตรของคระอาจ า, า, ารย์ท่านอาจารย์โคนี่เนี่ยเขาก็ให้ไล่จับสังเกตความรู้สึกตั้งแต่ศีตรษะจนปลายเท้าเรีการทั่วตัว น, นะคะหนูก็ทําได้ดีค่ะทีนี้พอพอตอนที่หนูรู้สึกมันฟีโตรื่อยทัว่วร่างกายแล้วเนี่ยปรากฏว่าจิตอะค่ะมันก็หลุดออกมาอยู่ที่สมถะเอง คือทำยังไงก็ไม่กลับไปไปที่การเวนทั่วร่างกายแล้วทีนี้หนูก็หลุนคุนเข้าทำยังไงต่อีก็ให้มันอยู่ที่สมถะนั่นแหละเพราะการปฏิบัติเป้าหมายก็คือให้จิตสงบให้จิตเราไม่ไม่วิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่เรารับรู้เช่นต่อไปอาจจะปวดท้องปวดศีรษะก็ให้จิตเราอยู่ที่ความสงบเข้าใจั้ม ไม่ให้ไปวุ่นวายไปกับการปรวดท้องการปรวดศี่สะกบการที่เราก็วางอุเบกขาอ่านั่นแหละเนะป้าหมายก็ให้เรามีอุเบกขาเพราะอุเบกขาทำให้เรามีความสุขจิอ่งั้นทีจิตยังไงมันก็จะกลับมาเองกลับมาเองายขึ้อ่อาการดูนี่เพื่อส่งจิตให้ไปสู่อุเบกขาอพอถึงอุเบกขาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรักษาอุเบกขาไว ต, ต่อไปต่อไปปวดฟันก็อุเบกขาต่อไปปวดท้องก็อุเบกขาอาจารย์ถ้าไม่อุเบกขาก็ต้องทําแบบที่ทําอยู่คือปล่อยให้ดูเฉยเฉยให้ดูความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายรู้ว่าเขาไม่เที่ยวรื้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แล้วเราก็จะได้เป็นอุเบกขาเฉยเฉย ไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บฟันเจ็บท้องเจ็บศีรษะหรือเจ็บอะไรต่างๆของร่างกายในการฝึกเวทนาดูพิจารณาเวทนาเพื่อเราปล่อยวางเวทนาให้ใจเราเป็นอุเบกขาเป็นสมถะให้ใจเราสงบแล้วตอนที่เราเรากําลังอยู่ในการเรียกว่ากรรมนก็แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมัมีสัญญาเก่าๆขึ้นมาคับ ให้รู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์หรือว่าเราดีใจกับตรงนั้นที่ในเหตุการณ์ที่ผ่านมันอาจจะเหตุท่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทุกข์กับมันแต่พอบางมีค่าสัญญาเก่าที่มันขึ้นมาเราไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับมันแลมันแค่เอยก็สมถะเหมือนเดิมเฉยๆเหมือนเดิมกับทุกอย่างไม่ว่าจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเห็นภาพก็เฉยเฉยทุกขกับมันถ้าเราเฉยๆเราก็ยังไม่ทุกข์กับมัน ก็เจรินสมถะเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลที่เราต้องการและสมถะมันเกิดขึ้นได้สองระดับระดับสติคือให้ดูให้ไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องต่างๆใจเราก็จะสงบระดับที่สองก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากอย่าไปรักอย่าไปชังถ้าไปรักเดี๋ยวมันของที่เราลัาหายไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราไปชังของที่เราเจอเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ชังเจออะไรเราก็เฉยเอาไม่รักเราก็ไม่เสียดายไม่หวงไม่หวง ใ, ใจเราเฉยการปฏิบัติก็มีสองขั้นขั้นสติ แล้วขั้นปัญญาขั้นสติแล้วก็เรียกว่าสมาธิขั้นปัญญาเราก็เรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนลมเราไปทุกกับลมหรือเปล่าเราเฉยกับลมหรือว่าเราไปรักไปชังกับลมหรือเปล่าถ้าเรารักเราชางังเราก็จะทุกข์เช่น ถ้าไม่ชอบลมพัดตอนนี้ลมพัดเราก็จะทุกข์เราเหมือนกาวถ้าระวังได้ทุกอย่างเราก็บรรลุแล้วล่ะถ้าระวังได้ทุกอย่างแฟนดาเราเราก็เฉยแฟนทิ้งเราเราก็เฉยเงินหายไปก็เฉยได้มาได้เงินมาก็เฉยคตรงนี้ยังไม่เฉยเลย อ้ไดเงินถ้าดีใจเวลาเสียไปก็จะเสียใจเวลาหายไปก็จะเสียใจแต่เวลากิเลสขโมยไปไม่เสียใจชอบชอบไม่กิเลสขโมยไปชอบให้ความอยากขโมยไปอยากได้รองเท้าก็ปล่อยให้ความอยากขโมยเงินไปอยากได้กระเป๋าก็ปล่อยความอยากขโมยไป ถ้าถ้าถ้าเป็นกิเลสตัณหาขโมยเงินไม่ไม่เสียใจแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นขโมยมาขโมอยนี่เสียใจขโมยขึ้นบ้านเราท่าของไปนี่เสียใจคนมายืมเงินแล้วไม่คืนเงินให้เราเนี่เสียใจแต่ถ้าเราถ้าเราให้กิเลสตัญหาออกไปแล้วไม่เสียใจกับดีใจเนี่ยเราเราต้องไม่เสียใจต้องไม่เสียใจเ แต่เราจะไม่ให้กิเลสตั้นหาเอาไปว่ามันเอาไปแล้วมันจะบังคับให้เราต้องไปหามาอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้ไม่ถาววนของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยู่แต่ร่างกายของเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้อนับตาแปลว่าห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เป็นเหมือนลม ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราสั่งลมได้ไหมห้ามได้นะไม่ได้เราสั่งความแก่ความเจ็บความตายนะแต่เราจะทุกข์ไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเราเฉยหรือไม่เฉยถ้าเราเฉยเราก็จะไม่ทุกข์แก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่อยากแก่ก็จะทุกข์ขึ้นมาผมออกเส้นหนึ่งก็ทุกขนะ์ใจไม่สบายนะ ฟันปวดหน่อยก็ทุกข์แล้วเจ็บฟันหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันห้าม ม, ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็ทําใจให้เฉยเหมือนกับลมพัดอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราห้ามลมพัดไม่ได้ลมพัดเราก็เฉยไปต้องฝึกสติให้มากๆฝึกใจให้เฉยให้มากให้ใจเข้าสู่สมาธิให้มาก เอเวลาเข้าสู่สมาธิแล้วมันจะเฉยจริง แนนมากมากเลยทุกอย่างบรรยากาศรอบตัวใสไปหมดแม้แต่ความคิดก็ตะพกไม่ได้อื่แหละจิตสงบเวลาจิตสงบมันจะเด่งลงไปเหมือนตกหนุมตกบ่อตกเขลาก็ถ้าอยู่ได้นานก็เรียกว่าอปันาถ้าอยู่ได้เดียวเดียวก็เรียกว่าคาิกะแต่ไม่รู้อะไรนะไม่ไม่ไปรู้รูปเสิไม่รู้ไม่รับไปไปมีนิมิตอะไรต่างๆไม่มี อยู่กับความว่าอยู่กับอุเบกขาได้แต่สักแต่ว่รู้สักแต่ว่าเฉยได้ยินเสียงเราสักแต่ว่าไม่มีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่มีอารมณ์เลยกับมันไม่เดือดร้อนอันนี้แหละอุเบกขาจริงถ้าเรามีอย่างนี้เวลาปวดฟันเราก็เราก็เฉยได้ปวดท้องเราก็เฉยได้ เพื่อให้มากมาให้มันอยู่ได้จุดนั้นให้มากๆาบ่อยๆต้องทําให้ชํานาญสามารถเข้าได้นะว ก, วก็เหมือนพิมพ์ดีนะ่ะพิมพ์เบนทุกวันทุกวันเดียวมันก็ชํานาญขับรถขับไปทุกวันทุกวันมันก็ชํานาญไม่ใช่พอได้ผนหนึ่งแล้วก็เลิกทําแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็มาทําใหม่พอมาอีกทาใหม่อีกกาทิตย์นึ่งก็ทําไม่ได้นะต้องทํามันต่อไม่เลิ ก็อย่าประยัดก็ปล่อยให้มันเข้าไปเลยถ้าปล่อยให้มันเข้าเองได้ก็ต้องรู้ต้องก็ต้องให้เข้ามันเข้าไปเองได้ทุกทุกเวลาที่เราต้องการแล้วนั่นะก็ต้องฝึกบ่อยๆรับก็ก็วิเคราะห์ดูตอนที่มันเข้าไปเข้าไปยังไงอเข้าไปเนี่ยมันจะมีสายลมมาอยที่ลายแล้วก็ทำอย่งนั้เหตุที่ทาให้มันเข้าไปเป็นอย่างไรเราก็ทำใหม่ าทํหบงก็ทําไปเรื่อยๆแต่อย่าไปอยากยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเหมือนผ่านยิงปืนเนี่ยบางทีก็เข้าเป้าบางทีก็ไม่เข้าก็ต้องอยู่ที่สตินี่แหละดูสติเป็นหลักว่าสติเราอยู่ต่อเนื่องกับโลมหายใจหรือเปล่าถ้าเราดูโลมหายใจก็ดูว่ามัน มันอยู่กับลมตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมันวาไปเรื่องนั้นวาไปเรื่องนี้วาไปอยากก็ไม่ได้เราต้องอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวเหมือนกับที่เราเคยทำต้องทำบ่อยๆแล้วมันจะจับจับประเด็นได้จับจุดได้ว่ามันเข้าไปได้ยังไง ต, ตอนที่เราพิจารณาลมหายใจใช่ไหมก็คะมาก็โฟกัส ขนาดโฟกัสถ้าปลา จ, จมูกยังรูใหญ่มากๆเลยก็เลยหาที่มันเล็กลงเป็นจุดๆห น, นึ่งตรงตรงใจเราหลอกตัวเราเอง<ม>คิดไปเองมันไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กมันเท่าเดิมเราเพียงแต่ไปคิดว่ามันใหญ่จมูกเราใหญ่ขึ้นเหรอไม่ไม่ใหญ่ค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึก ม, มันก็หลอกเราไงอย่าไปสนใจอยให้ให้ดูต่อไปเรากําลังปรุงแต่งละเรากําลัล ง, างคิด<ม>ละ เราต้องหยุดชิดแล้วกลับมาดูลมต่อไปกําลังถูกกิเลสหลอให้คิดปูงแต่เราก็จะทําให้เสียสมาธิให้ดูลมไปให้รู้เข้ารู้ออกเท่านั้นพอนตอนนี้ลมกําลังเข้าลมกําลังออกนมสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปปรับลมไม่ต้องไปทําอะไรเท่านั้น ให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งว่ามันใหญ่ขึ้นมันเล็กลงอันนี้หลอกตัวเองละความรู้สึกมันปรุงแต่งขึ้นมาลมมันก็เหมือนเดิมจำหลูกันก็เหมือนเดิมความรู้สึกก็เป็นเป็นเรื่องปรุงแต่งของจิตอย่าไปสนใจให้สนใจลม กาะติดับลมไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวลมก็จะพาให้หิ่งเข้าสู่ความสงบเหมือนครั้งตอ่อครัง้งครั้งที่แล้วสติเป็นตัวสําคัญพยายามทำมบ่อยๆได้แล้วอย่าประมาทบางคนได้แล้วประมาทคิดว่าได้แล้วจะได้ต่อไปพอมาทำครั้งต่อไปไม่ได้ก็วุ่นวายใจตอนนี้เหมือนกับเป็นเครื่องมือใหม่หัดขับ ต้องพยายามขับบ่อยๆขับทุกวันขับมากๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญขึ้นมาถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะนี่เอานี่ มันลงได้ทุกทุกเวลานะ่ถ้ามันจะลงแต่มันจะลงง่ายตอนที่เรานั่งหลับตาแ ต, แต่ถ้าภาวะบังคับให้มันลงมันอยู่ในภาวะไหนก็ลงได้หลวงปู่ชอบท่านชอบเดินจงกลมในป่าตอนกลางคืนคืนนึ่งท่านเดินไปจระเย็กับเสือพอเห็นเสือปั๊บจิตมันก็ดิ่งเข้าข้างในเลยเพราะมันมี มันมีตัวบังคับให้มันเข้าข้างในมันเท่ า, าท่านบอกพอจิตเข้าไปร่างกายหายไปเสือหายไปพอท่านจิตออกมาอีกทีเทียนที่จุดไว้ในในตะเกียงในในอะไรที่ท่านถืออยู่เนี่ยมันมอดหายไปหมดแล้วเทียนทั้งเล่มที่ท่านจุดไว้<ม>เขาจะมีโคมไฟโคมผ้าแล้วข้างในจะเป็นเทียนเวลาท่านเดินกน เดินยางคืนไม่สมัยก่อนไม่มีไฟฉายนั่นก็ใช้เทียนเนี่ยจุดไว้แล้วทําเป็นโคมผ้ากลมๆแล้ว ก, ก็เดินเป็นแสงสว่างไปพอเดินถือไปพอพอจ้าเอ๋กับเสือปั๊บจิตมันก็วุบเข้าไปข้างในเลยดิ่งเข้าไปสู่ความสนุกไม่รับรู้เรื่องร่างกายไม่รับรู้เรื่องเสือหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อยู่ตามเงินผัพอจิตทอนออกมา เทียนหมดดับไปแล้วแต่ท่านก็ยั ง, งยืนอยู่ในท่าเดินอยู่เป็นเหมือนหุ่นขี้ขึ้อย่างเงี้ยเสือมันนั้นไม่กลดมัเที่เป็นต้นไม้ อ, อไม่ไม่ได้ขยับเลยจิตร่างกายไม่ได้ขยับเลยพ อ, อน่างกายปล่อยจิตร่างกายอยู่ในท่านั้นก็อยู่ในท่านั้นไปนั่นแหละสมาธิก็คือฐานของจิตอัปปนาสมาธินี่แหละฐานของจิตไม่มีฐานเดียวหรือว่ามีฐานเดียวเนี่ยอุเบกขาเนี่ยเอ อเคคุเบกขาเะตอนที่ตอนที่ตอนที่ออกมาจากอุเบกขาแล้วเรา ม, มารับรู้ธรรมเรมหยืว่ามารับรู้มโนวิญญาณตรงนี้จะมาถึงว่าตรงนี้ตาหัวจมูตุ้แต่งอะไรแบบนั้นไปจนถึงตัวทํามา ร, มตร ง, ต, รงตัวมโนวิญาตัวตัวสัญญาสังขารนีณะเ้งนั้นองดว่า อกอาจ า, กาออพอมารับรูปเสียงกินรถมาปรุงแต่งก็ก็นา ม, มาขันก็ทํางานนะไม่ได้อยู่ในขานไม่ได้อยู่ในขานสง บ, บแล้ว <c oughs> แต่จิตก็ยังก็ยังมีความแตกต่างจากจิตที่ได้มีสมาธิเพราะรู้จักฐานสามารถที่จะประคับประคองฐานนั้นได้อยู่ถึงแม้จะออกมาปรุงแต่งแต่ อุเบกขาก็ยังมีวรู้ว่าตอนนี้มาขันทางานจูงแต่อยู่แต่ว่าตัวตัวรู้นี่จะตัวรู้จะสักแต่ว่ารู้รแรอแต่ก็ไม่แน่ถ้าไปเจอของชอบมันก็อาจจะหลงอยากเอมันก็จะเกิดอยากความอยากความโลภขึ้นมาได้แต่ น, นั้นก็ต้องใช้ปัญญาถ้ามันไม่รู้เฉยๆถ้าเห็นอะไรเห็นของสวยแล้วอยากได้ ก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้ใจอย่าประหยัดอยากเราทุกพออยากเราต้องต้องไปเอาหาต้องไปเอาสิ่งที่เราอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ทุกถ้าได้มาแล้วพอหมดไปก็ทุกอีก ถ้าถ้ามันพอมันได้เข้าถึงฐานแล้วมันจาว่ามันจะอยู่ในจะมีฐานก็ได้มันจะอยู่ที่ฐานเป็นหลักมันรู้จักที่อยู่ของมันนะคือที่รู้ให้สักจะว่ารู้เฉยๆพอมันเห็นอะไรมันก็สักจะว่ารู้แต่ถ้ากิเลสมันลากออกมาจากฐานพออยากว่ามันจะดึงจิตให้ออกจากฐานเราก็ต้องใช้ปัญญาดึงมันกลับเข้าไปสกัดมัน หรือถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติดึงกลับเข้าไปพุโทโธพุโทโธพอเห็นกาแฟอยากจะดื่มก็พุโทโธพุโทโธเอให้มันนึ่มเรื่องกาแฟพอเหมืนเรื่องกาแฟก็ไม่ต้องไปหากาแฟมาดื่มหรือถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ากาแฟมันไม่เที่ยงดื่มแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็ทุกข์เวลยนะไม่มีดื่มนัม่นอยากไปดื่มมันดีกว่าเพราะมันต้องเจอวันทัก ว, วันที่มันจะต้องไม่มีดื่ม พอวันไหนไม่มีดื่มแล้วอยากดื่มมันก็จะทุกข์ขึ้นมามันอยากไปดื่มพอเราตัดความอยากได้ต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็ไม่มารบกวนเรามันก็ไม่ดึงใจเราออกจากฐานแต่ตัวที่ดึงใจเราออกจากฐานก็คื อ, อความอยากต่างๆความโลภต่างๆความโกรธเวลาเราได้สมาธิถึงแม้เราออกเราออกจากสมาธิมาแล้วมาปรุงแต่งมารับรูป ร, ปรปเสียงกินรด ถ้าเรามีสติเรายังสามารถประคับประคองใจให้อยู่ในฐานต่อไปแต่เป็นฐานแบบรับรู้ละฐานแบบรู้ลูกเสียงกลิ่นรสดแล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาสกัดมันให้มันกลับไปอยู่ที่ฐานให้มันสักแต่ว่ารู้ถ้าจะดื่มอะไรก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าดื่มเพื่ออะไรดื่มเพื่อร่างกายหรือดื่มเพื่อ ปัญหาถ้าดื่มเพื่อตัญหาก็ยังดื่มถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มถ้าร่างกายหิวน้ําก็ให้น้ำมันแต่ไม่ต้องไม่ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสร่างกายมันไม่สนใจกลิ่นสีรสของน้ําร่างกายต้องการน้ําเพื่อเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เอาเอากาแฟเทลงไปเอาเบียร์เทลงไปมันก็เหมือนกันมันได้น้ําเหมือนกันมันต้องการน้ํา พอมันได้อับมาณาสมาธิแล้วจิตมันจะมีอุเบกขาที่ยันได้มากจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองถ้าออกถ้าได้เข้าไปเดี๋ยวเดียวออกมาเดี๋ยวอุเบกขามันก็หายไปมันอยู่อยู่กับฐานได้ไม่นานถ้าอยากจะกลับไปในฐานก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่เห็นตอนต้นนี้ต้องฝึกสมาธิให้มากให้มันอยู่ในฐานได้นานๆออกมาที่อยู่ได้เป็นชั่วโมงอย่างนี้ พอมันจะหมดก็เหมือนแบตเนี่ยแบตเตอรี่ที่เราเติมที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราชาร์จแบตมันก็มีไฟให้ใช้พอเราออกมาเราก็ใช้ไฟไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวไฟก็หมดใช่ไหมไฟหมดแล้วเราทำอะไรชาร์จแบตใหม่ใช่ไหมเนี่ยอุเบกขาหรือฐานของจิตก็แบบนี้พอเรานั่งสมาธิจิตรวมเข้าไปในฐานนมันก็เหมือนกับได้ชาร์จแบตแล้วได้อุเบกขาเราก็เอาเราก็ออกมาจากอุเบก แล้วก็ออกมาจากสมาธิแต่เราไม่โอเบคาติดมาด้วยเห็นอะไรก็เฉยได้ระยะหนึ่งใหม่ไม่เวลาออกจากสมาธิใจเราเย็นใจเราสบายใจจะไม่หิวโหยจะไม่อะไรก็จะเฉยเฉยแต่พอนานเข้านานเข้าระดับของความความอิ่มความพอมันน้อยลงน้อยลงทีนี้ความอยากมันโผล่ขึ้นมานะอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากดูนั่นอยากดูนี่่ะ ถ้าถ้าอยากจะฝืนความอยากไม่ทําตามความอยากก็ต้องกลับไปชา้นแบบใหม่กลับไปในสมาธิใหม่พุทโธพุทโธใหม่ดูลมหายใจใหม่ให้จิตสงบใหม่เป็นอุเบกขาใหม่ที่อุเบกขาในอชานสองสามสี่ก็ก็ควาแรงไม่มียังไม่มีเออต้องชาติหนึ่งสองสามยังไม่มีอุเบกขาต้องสี่ไปแล้วเ อ, อ สีไปล้วมันก็จะมีฌานหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเใช่ไหมฌานสองอะไรวิตกวิจารหายไปเหรอวิตกหายไปออฌานสามสุกัยฆาตตาลมสักแต่ว่ารู้ อคนเหมือนกันเป็นทำไม่กล้าเขาไม่กลั้นเราหร อ, อกตั้งแต่เสื่อมไปนี่มันก็จะเป็นสมาธิเป็่ยังไงก็าามันก็หยาดภาษาพจ์มันมันก็รวมลงไปบางครั้งบทมันจะมามันก็มารวมลงไป อ, อยู่ที่สติเราเนี่ยพอเสรนจแล้วนะ บานะครวมลงไปเสร็จแล้วรวมลงไปมันก็เป็นเหมือนบางเบาอยู่ค่ะไม่ยอมลงข้างล่างเหมือนเป็นอะไรดันขึ้นไปก็กิเลสไงกิเลสมันยังมีกําลังมากกว่าสติมันก็เลยดันออกมาต้องฝึกสติให้มีกําลังมากกว่าสักกิเลสมันก็จะดันเข้าไปถึงฐานได้ยตัวหนึ่งดันเข้าตัวหนึ่งดันออกสตินี่พยายามดันจิตให้เข้าข้างใน กิเลสก็พยายามดันให้ออกมาข้างนอกมาทางตาหูจหมูกลิ้นกายต่อสู้กันไปจนกว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนันก็ชนะถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่ า, า, ก, นะาก็เดี๋ยวออกไปดูทีวีละออกไปกินขนมละถ้าถ้าสติมีกําลังมากกว่าก็เข้าไปนั่งสบายเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ต้องฝึกสติให้มาก แล้วเราจะได้เข้าข้างในได้แล้วบางทีก็นั่งมันก็รวมแมจามบอมันจะรวมนะมันหมุนตัวโยกมาหมดเลยมันก็ลงไปอย่างนี้พอวิธีลงมันมีหลายหลายหวิธีแล้วแต่ไม่สําคัญขอให้มันลงก็ลงกันพอมันนงแล้วมันก็นิ่งมันหายโยกมันหายอะไรทุกอย่างแต่ก่อนจะลงนี่บางทีมันมีอะไรแปลกแปลกอ่าเหมือนถีอ่ามือบางทีก็มีทีอํา ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปสนใจมันจิตมันจะลงมันช้ามีแสดงลวดลายเข้าใจไหจิตเวลาจะสงบนี่มันต้องมีอะไรเหตุการณ์แออลอระทึกนิดหน่อยเช่นเจอเสือเงี้ยมันก็รวมลงไปเลยบางครั้งก็แบบเครื่องบินจะตกนี่มันก็ลงลงไปเลยเ อ, อนั่งเครื่องบินแล้วรู้เครื่องบินจะตกนี่มันอุ๊บมันเข้าไปยังไงเลย ท้านก็นั่งนานเหมือนกันนะท่านก็พอออกมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยเออมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเราเป็นหลงมันเองมันมันไม่มีเหมือนชาร์จอยู่ชารแบบเมืน่อก่อนมันจะมีพลังเออาทำไมเป็นก็ไม่รู้แะถามถามมันสิมาถามเราทำไมมันไม่มีมันไม่มีก็ไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีที่กลัวขึ้นก็เจามาทีหลังตามพัดป่าไปพยุง ช้างมันวิช้งางมันร้องกันคืนน่ะกลัวมันการเข้าป่าถ้าสติว่าไม่มีสติแล้วสิถ้ากลัวก็แสดงว่าไม่มีสติแล้ว อ, อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่กันอุเบกขาจริงเลยถ้าอุเบกขาจริงมันจะไม่กลัวไม่รักไม่ช้างไม่กลัวไม่หลงกอออนเเเสีย แสดงว่าไม่มีอุเบกขาแต่ว่าเฉยๆแบบนี้เฉยหมดอาจารย์ถ้าเฉยก็ใช้ได้ถ้ากลัวก็ไม่ได right. ้รักก็ไม่ได้ชังก็ไม่ได้หลงก็ไม่ได้แสดงว่าไม่เป็นอุเบกขาถ้าเป็นอุเบกขาแล้วจะเฉยๆกับทุกอย่างอแบบนี้เป็นคำแล้วนะยังไปจากเพื่อนสูงเขาพูดจะเรื่องทางโลกพูดกันพูดกันพูกันแต่ยมก็ เ ไ, ไ ด, ได้ถ้าฟังเฉยเๆก็ได้มไม่ยินดียินด ไ, นได้ปล่อยเขาพูดไปที่เ่าเป็นเขาเป็น <c oughs> เ, เป็นน ก, เ ป, นนกเป็นกาไปก็แล้วกันเสียงนกเสียงกาไปห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> ไม่พูดไปบอกก็ให้ไม่พูดเดี๋ยวก็ยิ่งโกรธเราใหญ่เ <c oughs> มื่อต้องไปด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันก็ปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขา ทำใจให้เราให้เฉยแล้วเราจะอยู่กับใครก็ได้แต่ถ้าเราไม่เฉยเดี๋ยวก็อยู่กับเขาไม่ได้ <ừ. S 1> cả, có có cả, ไปขัดใจเขาเดี๋ยวเขาก็เชิญเราไปแล้วเออวันี้ก็อยู่กับคนมนุ่มมากก็มีอะไรที่่าเสียอะไรมากมายก็ึ้ไดอดีํายู่ก็คุยกันถือไ่ายๆ เขถามว่าก็เลออกเข้าเข้าไปษาสาประดาเขไปข้างนอกไปทำบุญส่บาตรอกว่าพระพระสงฆ์คือว่าปกติต้องจำภาษาภาษาอังอฤษคือจําจนจำ a, มรนษาหมายถึงว่าให้ไม่ให้ไปค้างแรมที่อื่นแต่กลางวันมีธุระไปข้างนอกได้ไปนอกวัดได้อืไปไปไหนมาไหนได้แต่ไม่ไม่ให้ไปค้างแรมที่วัดอื่น ให้ให้นอนอยู่ที่วัดเดียวสามเดือนด้วยกันนอกจากมีธุรกิจจำเป็นก็มีข้อยกเว้นพ่อแม่ไม่สบายครูบาอาจารย์ไม่สบายไปดูแลท่านได้ อ, าาไอ๋อก็ต้องบินนบา่าเดี๋น้ไม่บินนบายก็อดตายเลยเหมืน อ, อ, อ, อมนเดิมอยากถามอะไรไหม อยากเล่าเรื่องอยากเล่าเรื่องหลังชายค่ะเองพูดใกล้ๆเลเปิดไม่แล้วเองพูด อ, อ, อยากลเล่าเรื่องหลังชายว่าคือไง อ, อ, อันนี้มันไม่ได้เป็นของง่ายๆเนาะไม่ใช่พูดสองคำแล้วมันจะหายดื้อต้องก่อนจะไม่ไม่ควรจะสอนลูกเนาะต้องสอนแม่หรือสอนสอนป้าดีกว่าเพราะตัวคนที่เป็นปัญหาไม่ใช่ลูกคนที่เป็นปัญหาคือแม่หรือป้าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ดูว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้ ลูกเขาเป็นสัปเหร่อยากจะให้เขาไปเป็นมาล์กาอี้ก็เลยทุกข์กันเข้าใจไหมตัวสัปเหร่ก็ไม่ทุกข์หรอกเขาเป็นสัปเหร่อเขาก็แฮปปี้ของเขาอ่ะแต่เราอยากจะไปให้เขาเป็นมาล์กาอีเราก็เลยทุกข์เข้าใจหรือเปล่าคนที่จะพูดนี้ไม่ได้ไม่จะไม่ต้อไม่ใช่พูดกับลูกต้องพูดกับแม่พูดกับคนที่ทุกข์ว่าเราต้องศึกษาทําว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วดูว่าเราเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนอย่างไรมันก็ต้องใช้การศึกษาดูอไม่ใช่จะเสก จ, จะเป่าให้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี่มันไม่ได้เรื่องนิสัยเรื่องสันดานนี่มันเป็นของที่มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ปุ๊บปั๊บบอกคำสองคาแล้วมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นไปไม่ได้เออเอานั่นแหละต้องค่อยเข้าวัดบ่อยๆให้เขาได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ดี ที่จะหล่อหลอมจิตใจเขาให้ดีเอแต่ถ้าจะมาให้มาเล่าบ่ให้หลวงตาพูดให้เขาฟังเนี่ยหนึ่งเขาไม่อยากจะมาก็าไม่อยากจะฟังเอาง่ายนะพูดไปก็เหมือนเทน้ําใส่หลังหมาใครใเห็นไหเอ่าเทแล้วมันก็สบัยทิ้งหมดไอเราก็เหนื่อยปากเปียก ป, ปากฉี่พูดไปแล้วมันก็ไม่ฟัง อ, อ่ ะ, อ ะ, อะก็พาให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของวัดอะไรอย่างนี้ ได้รู้อีกภาพหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะถูกบรรยากาศแบบพวกลิงข้างไปที่ไหนก็มีแต่กระโดดโลดเต้นมีแต่เล่นมีเขามาวานเข้าก็ได้สัมผัสเจอคนที่นี่นั่งเฉยๆนั่งอะไรน่เี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่อยอมซึมซาบเลยก็ยังก็ต้องไปปล่อยเข้าไปตามเรื่องของเขาก่อนตอนนี้เขาก็ไร้เดีงสาคือยังยังไม่สามารถที่จะรับ รู้เรื่องผิดถูกดีเชื่อได้มากเท่าไหร่เขาก็ยังเขาก็ยังชอบทำตามความอยากของเขาตามอารมณ์ของเขาอันนี้เราก็ต้องใจเย็นๆไม่ค่อยพาเขาเข้าวัดมีมีญาติโยมบางคนพาลูกเข้าวัดต้องใช้เวลาสองสามปีมุกกไะไมเนี่ยเที่ยงมาทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวัดวางกระโดดโน้เต้นอะไรต่างๆ๋ต่นี้เรียบร้อยกรบพระามีอะไระนะต้องใช้เวลาของพวกนี้ไม่ใช่จะมาพูดอย่างเดียวนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมอันนี้เบาๆไม่อยากจะเทศเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูด เลยหาหาเรื่องที่โยมอยากจะฟังมาพูดดีกว่าอยากจะถามอะไรั้มอยากจะฟังอะไรบ่าถ้าไม่มีก็จะให้พรก่อนนีก่านนะเดี๋คนที่อยากจะกลับจะได้กลับไปแล้วเดี๋ยวจะถามปัญหาทางทางเป็นลูกต่อรับพรก่อนนะ ยะถาวะริวหาปุราภริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกปติอิชิตังปัต um ิตังตุมหังทิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุส so ังกาปาจันโทปนาระโสยะถาหนาโชติระโสยะ สัพพิติโยมีวัชานตุสัพโรโคนินักสตุมาเตภวตวันตายุสุขีทีขายุโกภวะอธิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวโนสุขัง พาลางใครมาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็ยังเข้ามาได้อยู่นะแล้วใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญมาหยิบได้มีหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นห น, ะนังสือที่น่าอ่านเป็นหนือ น, นิยายเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องความรู้ความสามารถของท่านท่านท่านพบปาระเทวดาได้พบ สนทนามีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมจากท่านท่านมีตาทิศหูทิพย์นอกจากมีปัญญาดักกิเลสแล้วยังท่านมีความสามารถพิเศษได้ได้เชิญหยิบมาเลยหนังสือพระอาจารย์มา น, นนี่อ่านยาก น, นไม่มีขายพอดีมีญาติโยมศรัทธาไปพิมพ์ ม, มาแจากกัน มีคนจะขอซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ขายหลวงตาบอกไม่ไม่ขายโดยเด็ดขาดท่านเขียนมาเพื่อบูชาพระผพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เขียนมาเพื่อเอาเงินเอาทองต่ว่าทมนี้มีเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองที่จะมาะซื้อได้มีคนฉลาดจะมาขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อที่จะไปพิมพ์ขายอ้างว่าเขาจะได้ขายเขาจะได้พิมพ์เยอะๆ แต่หลองตาบอกว่าท่านไม่ท่านไม่ต้องการที่จะเอาธรรมะมันเป็นของซื้อขายธรรมะนี่เป็นของของเป็นธรรมทานจากพระพุทธเจา้าจากผ้าหลานตัสสาวกทั้งหลายให้แก่โลกธรรมต้องต่างจากโลกโลกนี้เขาจะคิดแต่เรื่องรายได้แต่ธรรมนี่ไม่คิดถึงเรื่องรายได้คิดถึงหัวใจของคน ไม่งั้เดี๋ยวมีแต่คนรวยที่จะอ่านหนังสือธรรมะได้คนจนจะอ่านไม่ได้จะไม่ได้อ่านทางบ้านก็ดาวน์โหลดได้เข้าไปในเว็บไซต์พระสุชาตมีที่ดาวน์โหลดหนังสือ <c oughs> ต้องขออภัยคนเที่ทงบ้านอยากจะได้หนังสือเพราะมันไม่ไม่มีปัญญาที่จะจัดส่งไปให้เลย ถ้าอยากได้ก็มาเอาเองหรือมงันก็ดาวน์โหลดอ่านอ่านในมือถือก็ได้คำถามจากคุณวัดค่ะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายขันห้าครับขันห้าก็มีห้าอาการที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตพวกเรากับสัตว์ทั้งหลายรูปก็คือร่างกาย ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์นี้เรียกว่ารูปประขันหนึ่งขันแล้วนะหนึ่งขันคือร่างกายส่วนอีกสี่ขันนี่เป็นเรื่องของนามขันนามขันแปลว่าเป็นส่วนของใจอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเออวิญญาณขันวิญญาณขันนี่เป็นเหมือนกับสายสายที่เราเสียบสายหูฟังเนี่ย ที่เราเสียบ้าไปในเครื่องโทรศัพท์พอเราเสียบเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์เราก็สามารถได้ยินเสียงที่เราฟังในหูวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณก็มาเสียบที่มาเสียบที่หูเรามาเสียบที่หูของร่างกายแล้วใจก็จะได้รับเสียงได้วิญญาณมาเสียบที่ตาใจก็รับภาพได้ ผู้ที่เห็นภาพผู้ที่ได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่นั่งกายเขานะเหมือนกับโทรศัพท์นี่กล้องนี้เขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้เห็นภาพเขาเพียงแต่รับภาพแล้วคนที่เห็นภาพก็คือคนที่ถ่ายภาพคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยใจนี้เป็นเหมือนเจ้าของร่างกายใจนี้ใช้น่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์เป็นเหมือนกล้องเป็นเหมือนเครื่องรับเสียงต่างๆ โดยการส่งวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายมีอยู่ห้าเส้นด้วยกันวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อจะได้เห็นภาพพอตาลืมตาขึ้นมาก็เห็นภาพวิญญาณก็ส่งภาพนี้ไปให้ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจวิญญาณเป็นผู้รับภาพเข้าไปให้ใจรู้อีกทีเหมือนกับเป็นบุรุปปษไปสเี ที่ไปรับภาพจากร้านถ่ายรูปที่เอาไปล้างล้างเสร็จก็เอากลับไปให้เจ้านายที่ที่บ้านเจ้านายก็เห็นรูปใจนี้เป็นเจ้านายแล้วมีวิญญาณนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ไปรับภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสต่างๆมาจากทางร่างกายที่นี่เรียกว่าวิญญาณขันนามขันมีสี่วิญญาณหนึ่งะนะเป็นตัวไปรับภาพรับเสียงมาพอตัวพอรับ พอได้มาแล้วตัวที่สองก็ทำหน้าที่พอเห็นภาพก็เกิดเวทนาขึ้นมาใช่ไหมเห็นภาพสวยก็เกิดความสุขขึ้นมา <S <S เห็นภาพไม่สวยก็เกิดความทุกข์เห็นไหมพอเปิดข่าวดูระเบิดตูงตามนี่เป็นไงเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าพอเปิดเห็นดูพระเอกนางเอกกำลังรักกันกำลังชอบกันนี้ก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เวทนาที่เกิดจากทางภาพเสียงก็เหมือนกัน ได้ยินเสียงชมก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ได้ยินเสียงด่าก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่นี่คือเวทนาขันตัวที่สองฮะแล้วตัวที่สามก็คือสังขารขันคือความคิดปรุงแต่งออเห็นภาพที่สวยเกิดสุขเขาเวทนาขึ้นมาก็อยากได้ใช่ก็คิดว่าต้องไปเอามาละภาพนี้เขาขายเท่าไหร่ก็ไปซื้อมา เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งคิดคิดตามความอยากถ้าอยากได้ภาพก็สั่งให้ร่างกายไปเอาภาพนั้นมาถ้าเห็นภาพไม่สวยก็สั่งให้ร่างกายเดินหนีเสียเช่นเดินไปเจอกองขยะเดินไปเจออุจจาระงี้ก็สั่งให้ไปอย่า yeah. <laughs> สังขารเป็นตัวคิดปรุงเป็นเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆ แล้วตัวที่สี่คือสัญญาตัวนี้จำไงจาต่อไปนี้เห็นอุจจาระก็จะรู้นะไม่ดีเห็นอันนี้ก็จะจําได้ว่าดีไม่ดีสุขและไม่สุขนี่คือนามขันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ให้กับใจผู้รู้ใจถ้าไม่มีสีตัวนี้ใจจะอยู่รู้เฉยๆเหมือนเวลานั่งสมาธิใจหยุดใจหยุดรับรู้เสียงกลิ่นวิญญาณหยุดทํางาน เวลานั่งสมาธิจิตนมในสมาธินี่วิญญาณหยุดทางานไม่รับรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสหายไปร่างกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีแตนน่นี่คือฐานหา้าคือตัวเราส่วนใหญ่พวกเราไม่เคยเข้าไปในสมาธิกันส่วนใหญ่เราก็จะมีกับการรับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลา แล้วเวลาหลับเราก็หยุดรับรู้แต่ใจเราก็ยังไม่หยุดเอาความจําจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปเห็นมามาฝันต่อมาเหมือนกับไปถ่ายวีดีโอไว้มากลับมาบ้านก็มาเปิดดูใหม่ <Yeah. S 2> อาจารย์เวลานอนหลับก็ฝัน <Yeah. S 2> ถ้าไปทําบาปก็ฝันร้าย <Yeah. S 2> ถ้าไปทําบุญก็ฝันดี yeah. Yeah. ฝันเรื่องที่เราไปทำนั่นแหละเราไปทําบุญเรากลับเวลานอนหลับล้วก็ฝันว่าเรา แทนที่เราจะทำดีกับมีคนมาทำดีให้กับเราแทนถ้าเราไปฝันไรเราไปทำบาปเวลานอนหลับฝันายก็จะฝันว่าเขามาทำลายเราแทนอันนี้ก็ยังเป็นการทำงานของสังขารของของสัญญาของเวทนาอยู่เวลาฝันร้ายนี่บางทีตื่นขึ้นมานี่เหงื่อแตกพลาชเลนะทุกเวทนาเกิดใช่ไหม ม, มีเวทนาในขณะนอนหลับก็ยังมีเวทนาอยู่ มีสุขมีทุก์อยู่เพียงแต่วิญญาณมันไม่มีมันไม่ได้ไปรับเพราะตอนนั้นร่างกายาพักผ่อนไม่ได้รับไปรับสัญญาณรูปเสียงกิ่งลดจากทางทางร่างกายมันก็เลยเอาของเก่ามาฉายให้ใจดูแทนตอนนี้เรากำลังมาดูของสดกันนะเนี่ ย, เ, ยเวลาเราตื่นนี่เหมือนกับเราไปถ่ายทอดสดเห็นภาพสดจริงๆเลยแต่เรานอนหลับนี่เราเหมือนกับมาดูที่ของที่อัดเทปไว้ พราะใจของเรานี่มันหิวกิเลสกิเลสที่อยู่ในใจนี่มันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามันตื่นมันก็ต้องไปเอาร่างกายไปดูไปฟังเวลานอนหลับมันก็เอาของเก่าที่มันถ่ายไว้มามาดูเหมือนเวลาเราดูดูรายการอ่ะถ้ามีสดแล้วก็ดูสดใช่ไหมอ๋ อ, อไม่มีรายการถ่ายทอดสดก็ดูย้อนหลัง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะมันอยากจะดู <c oughs> ใช่ไหอนี่คือเรื่องของขันห้า เรื่องของชีวิตของพวกเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราก็ไปหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราอตัวหลงก็คือไม่มีใครสอนเกิด ม, ม, มาทุกคนก็บอกว่าร่างกายเป็นของเราทนั้นใช่ไหม ม, มีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่บอกไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ใจเราเป็นใจแต่ร่างกายไม่ใช่เราเราคือเวทานาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้จําได้คือใจเนี่ย นี่เราจําผิดเราไปจําว่าร่างกายเป็นเราพอเป็นเราเราก็เลยอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดใช่ไหมพอมีของอะไรเป็นของเรานี่เราอยากจะให้มันอยู่กับเราให้ดีไปตลอดแต่ธรรมชาติของทุกอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนไปมีเจริญมีเสื่อมมีดีแล้วก็มีเสีย是是ซื้อของมาใหม่ๆก็ใช้ได้ดีนะเนี่ยใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวก็ปวดหัวกันนะ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนแจ็คเปลี่ยนอะไรกันเพราะมันมันมันเสื่อมของทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมพอมันเสื่อมมันก็เลยทําให้เราทุกข์เพราะมันต้องมันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเราต้องมาแก้ปัญหามันไม่สามารถให้ทําหน้าที่ของมันตามที่เราต้องการให้มันทําได้แะมันก็เลยทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ต้องไปอาศัยมันไม่ต้องไปใช้มันไม่ต้องไปถ่ายทอดมันช่างหัวมันเนีลยถ้าไม่ถ่ายทอดมันเราก็ไม่ต้องมาทุกกับมันแล้วใช่ไหอ แจ็คจะเสียโทรศัพท์จะเสียสัญญาณจะขาดจะหายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องอาศัยมันเพราะเราไม่ต้องถ่ายเราไม่มีการถ่ายทอดสดดังนั้นเราต้องมาเลิกถ่ายทอดสดตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นตัวถ่ายทอดสดไปดูรูปเสียกลิ่นรสให้ความสุขกับเราแต่พอตาเสียหน่อยหูเสียหน่อยก็เดือดร้อน เวลาไม่มีเงินไปซื้อรูปไปซื้อเสียงซื้อกิ่นที่เราอยากได้ก็เดือดร้อนแล้วพอน้ําหอมหมดแล้วนี่ต้องไปซื้อขวดใหม่ไม่มีเงินไปซื้อขวดใหม่ก็เดือดร้อนแลไม่มีกลิ่นหอมแม่ดมแล้วมีแต่กลิ่นเหม็นกลิ่นของร่างกายเนีย่ยมันทุกเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงย พ, รพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปสนใจมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันดีที่สุดเย ร่างกายนี้ก็อย่าไปมีมันไม่ต้องมีก็ได้ใจอยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายแต่จะอยู่อย่างมีความสุขต้องหัดทำสมาธิให้ได้ถ้าใจสงบแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นให้ความสุขเพราะสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบจากการนั่งสมาธิได้นี่คือสิ่งที่เราไม่มีกันเราเลยต้องมีร่างกายเราเลยต้องมาเดือดร้อนกับร่างกาย ทั้งของเราและของคนอื <H> ่นเพราะนอกจากเราต้องใช้ร่างกายเราแล้วเรายังต้องใช้ร่างกายคนอื่นมาให้ความสุขกับเราใช่เราต้องมีร่างกายของแฟนมาให้ความสุขกับเราเราต้องมีร่างกายของเรามีสองคนถึงจะมีความสุขได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้มีความสงบมีความสุขได้เราก็ไม่ต้องมีแฟนก็ได้ใช่ั้ยเป็นพระนี่ไม่ต้องมีแฟนแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ก็ได้ ต่อไปร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเฉะนั้น <c oughs> เราต้องมาแก้ปัญหาของเราเรามีขันห้าแต่เราหลงหลงไปยึดติดกับขันห้าเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราแต่แทนที้มันจะให้ความสุขกับเรามันให้ความทุกข์กับเราเพราะมันเป็นอนิจจ์ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ มันจะแก่มันจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ห้ามแล้วสองวันก่อนมันไม่สบายขึ้นมาไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ตอนนี้มันหายแล้วไปเรียกให้มันกลับมามันก็ไม่มาให้กลับมาป่วยใหม่มันก็ไม่มาใช่ไหมอ่มันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้มันมันไม่มาจะเรียกมันมามันก็ไม่มาเน้นเราต้องอย่าไปยุ่งกับมันต้องทำใจมันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปเพราะมันไม่สามารถทำให้เราเดือดร้อนได้มันไม่สามารถทำให้เราป่วยได้ วัาเราจริงๆคือใจนี้ไม่มีวันป่วยไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเนีย่ยเนื่องจากเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเลยไปป่วยแทนร่างกายไปทุกข์แทนร่างกายอนนันที่ร่างกายเขากลับไม่เดือดร้อนร่างกายป่วยมันก็ไม่เดือดร้อนมันไม่รู้ว่ามันป่วยคนที่รู้ว่าไปเดือดร้อน<ม>เพราะอยากให้มันไม่ป่วยเพราะอยากจะใช้มันไปทาความสุขต่างๆไปหาความสุขต่างๆ เพราะร่างกายป่วยไปไม่ได้นอนอยู่กับบ้านมันก็เศร้ามันก็ซึมใช่ไหมทุกเนี่ยเพราะยังไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่พรูอาจารยนึงสอนให้พวกเรามาหาความสุขทางใจมานั่งสมาธิกันให้อาศัยธรรมเป็นที่พึ่งธรรมังสวรรังกระฉามิคือสติธรรมปัญญาธรรมถ้าเรามีสติธรรมมีปัญญาธรรมใจเราจะสงบ ใจเราจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรใจเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องมีท่าของเงินทองอะไรต่างๆนี่คือเรื่องขันห้าของพวกเราที่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะหลงยึดขันห้าเป็นเครื่องมือหาความสุขกันยึดร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันยึดความสุขจากเวทนา พอได้ความสุขเห็นภาพสวยก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ยินเสียงดีก็เกิดความสุ ข, ขขึ้นมาแต่พอไปเห็นภาพไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เพราะว่าเราไปยึดกับภาพกับเสียงภาพต้องดีเสียงต้องดีพอมันไม่ดีก็ทุกข์ท่างเจ้าบอกอย่าไปยึดอย่าไปอาศัยภาพเสียงกลิ่นรสมันจะดีไม่ดีถ้าเราไม่ไปยึดมันมันจะไม่ทาให้เราทุกข์ ทำใจให้เราอย่าไปรักไปชังรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราใจเราจะไม่ทุกข์กับมันนี่ก็เรื่องของขันห้ายาวหน่อยอต่อไปคำถามจากคุณสิริความดีใจเมื่อเกิดแล้วเวลาผ่านไปเมื่อล ะ, ละลึกถึงก็ดีใจ แม้จะไม่ได้มากเหมือนเดิมแต่ความเสียใจ เ, เมื่อเกิดแล้วเวลาผ่านไปแล้วเมื่อหวนระลึกถึงทําไมจึงรุนแรงและซึมลึกในจิตใ จ, ใจมากขึ้นควรจะทําอย่างไรดีคะก็อย่าไปคิดถึงมันซิเมื่อมันคิดแล้วทษไปคิดทําไมอบอมันจะคิดกับพุโทโธพุโทโธไล่มันไปใช้พุโทโธไล่มันไปพอคิดเห็นอะไรแล้วทาให้ใจเราทุกเราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอเดี๋ยวมันก็หายไป คำถามจากคุณกระชามาเวลาดังสมาธิมีความรู้สึกตัวโยกไปมาค่ะกรับขอคําแนะนําค่ะเพราะไม่มีสติสติมีน้อยพอนั่งแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายสั่งให้ใจมันไปโยกร่างกายถ้ามีสติมันจะไม่โยกอย่างตอนนี้เรามีสติไหมเนี่ยเรานั่งคุยกันนะเนี่ยโยกไหมไม่โยกใช่ไหมเพราะเรามีสติแต่พอนั่งสมาธิกับไม่มีสติ มันต้องมีสติมากกว่าตอนที่เราคุยกันซีได้ซ้ําไปเราใจเราจะนิ่งจะจะเฉยจะไม่ขยับตอนนี้ใจเราไม่นิ่งสติเราไม่มีกําลังพอนั่งเฉยเฉยยังไม่ได้เว้เดี๋ยวต้องจับแว่นนัางเดี๋ยวต้องเองไปทางซ้ายเอนไปทางขวาขยับซ้ายขยับขวาอยู่อันะ่นแสดงว่าสติมีแต่ยังไม่ยังไม่ต่อเนื่องพอเผลอปับ๊บร่างกายก็ขยับทันทีเลยทอมถามจากคุณวัตยากร ตั้งสมาธิและบริกรรมพุโทโธสักระยะจิตมันวูบเหมือนตกลงเหวแล้วมันเงียบสักครู่เจ้าค่ะหนูควรทําอย่างไรต่อเจ้าคะาก็พยายามให้มันอยู่เงียบๆนิ่งๆ น, น, นานๆ น, น, นั้นนะเขาเรียกว่าสมาธิแล้วแต่ใหม่ๆมันเข้าไปวูบเดียวแล้วมันก็ได้งออกมามันตื่นเต้นตกใจแล้วมันสติมันก็หายไปพอสติหายไปจิตมันก็ถอนออกมาฉั้นต้องใช้สติประครับประคองไว้ พยายามดึงจิตให้ให้อยู่นิ่งๆเฉยๆแบบนั้นได้นานๆยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะเป็นความสุขครัำ ถ, ถามจากคุณไผ่วันนั่งกับพื้นไม่ได้เขาไม่ดีใช้เก้าอี้นั่งสมาธิได้ไหมคะได้ัไ่ได้เพียงแต่ว่านั่งถ้าจะนั่งานานๆนั่งแบบมืออาชีพก็ต้องนั่งขัดสมาธิแต่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นนนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้านั่งเดี๋ยวเดียวสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมง พวกที่เขานั่งเป็นชั่วโมงนี้เขามักจะนั่งขัดสมาดกันคํถาถามจากคุณพิมพรเมื่อวานวันพะหนูได้ไปนั่งฟังเทศขณะที่เราฟังเทศแล้วนั่งหลับตาใจสงบอยู่ดีๆก็มีน้ําตาไหลออกมาค่ะถามว่าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนไหมคะไม่แน่หรอกบางคนก็มีบางคนก็ไม่มี <c oughs> ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าให้มันนิ่งให้มันสงบ ให้มันว่างให้มันดิ่งลงไปเหมือนตกรลมตกบ่อถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ก็ดูลมต่อไปพุทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดคาถามจากคุณยายรกษาถ้าเราจุดยากันยุงไล่ยุงแต่เราไม่ได้ตั้งใจฆ่าเราจะบาปไหมคะถ้ามันถ้ามันตายก็บาปเนะเพราะเราเป็นคนจุดเราตั้งใจจุดหรือเปล่า ถามจากคุณอรุณีข้อที่หนึ่งคนที่รับหวยบาปไหมคะฮะรับหวยรับหวยอ๋อ๋อมันก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าการพนันใช่ไห ม, มก็ก็เป็นมันไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่มันไม่ไม่ควร ส, ส่งเสริมเพราะจะทําให้คนขี้เกียจคนไม่ทํามาหากินกันมานั่งเล่นหวยกัน แล้วก็จะหมดเนื้อหมดตัวเพราะการเล่นหวยเนี่ยแต่คิดว่าจะรวยนานๆจะถูกสักครั้งหนึง<ม>่งไม่เชื่อลองทำสถิติดูเห็ปีนี้ซื้อหวยมากับถูกนี่อันไหนเยอะมากกว<ม>่ากันชินึินปีจะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็เลิกเล่นซะเล่นไม่ทำไมเล่นแล้วขาดทุนใช่ไหมข้อที่สอ คนเรียกมากำจัดปวกเราจะบาปไหมครับถ้าเราไปสั่งเขาบาปแต่ถ้าเราเพียงแต่คุยกับเขาแล้วเขาาสามาไม่บาปเขาถามจากคุณขวัญเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลที่ปัจจุบันนี้คนนิยมใช้กันมากอยากทราบว่าจําเป็นต้องใช้ไหมคะั อ, อ๋อมันไม่มงคลหรอมงคลไม่ได้อยู่ที่เบอร์มงคลอยู่ที่มงคลสามสิบแปดนั่น ลองไปอ่านดูเอเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตังแปลว่า1่การไม่คบคนพาลคนโง่ 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่สมควรกับการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่มงคลอยู่ตรงนี้อย่าไปคบคนโง่คนที่บ้าบ้าโหยบ้าเลขเนี่ยเป็นพวกคนโง่เลขมงคลทั้งหลายเนี่ยพวกโง่ทั้งนั้น ปัญญามัย้ยจะไปเสียเงินประมูลซื้อทะเบียนเลขสวยๆหมดเป็นล้านซื้อมาทําไมเสียเงินเปล่าๆเอาเงินไปทําบุญดีกว่าเอาเงินไปทําบุญทะเบียนมันเลขไหนก็เหมือนกันหละ่ะมันทําหน้าที่ของมันได้คือทะเบียนรถมีไว้ทําไมเพื่อว่าจะได้รู้ว่ารถคันนี้เป็นของใครเท่านั้นเองอซึ่งเอาเงินที่เราไปประมูลเลขนี้ไปทําบุญดีกว่าเราจะได้บุญนะ ขอให้จำไว้ว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามงคลอยู่ที่ไหนให้ไปอ่านที่มงคลสามสิบแปดดูเดี๋ยวเขียนเข้าไปใน Google เลยเนี่ยมงคลสามสิบแปดแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาจะบอกวิธีสร้างมงคลมงคลต่างๆรับรองได้ว่าไม่มีเลขเก้าอยู่ในนั้น <S <S เลขเก้าตัวเลขสี่ตัวอะไรไม่มีเสียงนัินปกระเป้าของฟีๆกลับไปทำให้เสียงกันทำไมยังไง เ, เ <laughs> สียไปจีตังในแปดเนีน่ยเสียเงินเท่าไรก็ให้มาเี่มันต้องเสียซื้อค่ะนั่นเลยสีต้องซื้อเนะี่ยแปดตับาทแสนกว่าโอ้โหเอามาทำ บ, บุญดีกว่าเนะี่ยคำถามจากผู้ไม่ประสงออกนามค่ะทำไมนั่งสมาธิตั้งนานไม่ตกหลุม่ตกบอก่อต้องนั่งวันละกี่ชั่วโมงคะมันไม่ได้อยู่ที่เชื่อมองมันอยู่ที่สติ ถ้ามีสติต่อเนื่องห้านาทีมันก็ตกหลุมตกบ่อได้ยังให้มันพุโทโธต่อเนื่องไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาสักห้านาทีเท่านั้นแหละลองทำดูอย่าไปดูที่นาฬิกาให้ดูที่สติถ้ามีสตินี่ห้านาทีสินาทีก็ลงละ่ามจากคุณพีโกถ้าเรายินดีกับผู้อื่นด้วยการอนุโมทนาบนุญผู้ยินดีก็ได้บุญ แล้วถ้าไปยินดีกับผู้ทำไม่ดีด้วยการเห็นด้วยกับความคิดหรือการกระทำหรือคำพูดคนคนนั้นจะได้รับบาปด้วยไหมคะ อ, อ๋อไม่ได้รับบาปแต่ก็มันก็จะทำให้คนคนนั้นชอบทำบาปไปกับเขาด้วยถ้าไปชื่นชมยินดีกับการทำบาปเดี๋ยวตัวเองก็ไปทําต่ อ, อเหมือนกับคนที่ไปชื่นชมยินดีกับการทำบุญของคนอื่นเดี๋ยวต่อไปก็จะไปทาบุญคำถามจากคุณภาวดี เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหมคะการแถ่เมตตาไปให้ผู้ร่วมรับจะถึงใหม่เจ้าคะเออเจ้ากรรมนายเวรก็คนที่มีปัญหากับเราเนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเราเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมักจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันบางเวลาก็ทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันขึ้นมาอก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่เขาคาดพยาบาทเราเนี่ยไม่ชอบที่หน้าเรา ก็ถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไปทำท้ายเขาไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติก่อนบางทีเราจําไม่ได้นะแต่เขายังจําเราได้อยู่ mm hmm. คำถามที่สองก็ถามว่างไงถามว่าการแผ่เมตตาไปให้ผู้ร่วงลับจะถึงไหมเจ้าคะ อ, อ, อยู่ที่ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่า mm hmm. แล้วเราจะแผ่ยังไงเมตตาเป็นยังไงเป็นคาพูดเลอ ใช่ไหมเมตตาส่วนใหญ่ท่านสอนให้แผ่กับคนกับสิ่งที่มีชีวิตตอนที่เราพบปะกันเช่นเวลาใครเขาพูดเาดา่าเราก็ผ่เมตตากับไปสาธุสาธุอย่าไปโกรธอย่าไปด่ากลับหรือถ้าเรามีขนมนมเนยเหลือเฟือเอามาแจากคนนั้นคนนี้เรียกว่าแผ่เมตตามันต้องมีข้าวมีของมีอะไรที่คนเขารับได้ไม่ใช่เพียงแต่คาพูดเฉยๆความพูดเฉยๆก็ก็ยังดี พูดดีๆเป็นอาพัปากกันก็ถานสาระทุกสุขเดือดกันสบายดีหรื อ, อมีอะไรเดือดร้อนหรือเปล่าจะให้ช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าะพูดอย่างนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเหมือนกันเขาถามจากคุณนนท์เทวดามองเห็นเหมือนมนุษย์ที่มีตาเนื้อไหมครับเทวดาเขาก็เขาก็มองทางใจเหมือนตอนนี้เรานอนหลับเนะี่ยนอนห เ, เ, เราฝันเราฝันนี่เราไม่ได้ลืมตาฝันใช่ไหม เราหลับตาฝันใช่ไแล้วเราเห็นภาพต่างๆไหมเห็นใช่ไหมนั่นแหละเทวดาเขาก็เห็นอย่างนั้นะก็ เ, เห็นทางจินตนาการเห็นทางใจใจนี้ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถเด ล, ลมิตตาหูจมูกลิ้นกายทิพตขึ้นมาได้จึงเห็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในฝันเนี่ยเป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ ถามจากคุณสมาธิการที่เราถูกด่าเราควรรักษาใจอย่างไรเจ้าคะเพราะขณะที่ถูกกระทบเราควบคุมใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ด่าตอบเพียงแค่ร้องไห้และไม่ได้รู้สึกโกรธหรือรู้สึกน้อยใจกว่าจะเคลียรอารมณ์ได้ต้องใช้เวลาครึ่งวันโดยปกติทําสมาธิเจ้าค่ะก็เวลาพอโกรธขึ้นมาหรือมีอารมณ์ขึ้นมาก็รีบบริกรรมพุทโธเลยถ้าบพุทโธได้ต่อเนื่อง5นาที10นาทีก็หายแล้ว แต่ถ้าไปคิดถึงเรื่องที่เขาพูดยมันก็ยิ่งโกรธอยู่นั่นอ่ะยิ่งไม่สบายใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นถ้ามีสติดีๆพอได้ยินเสียงไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธไปเลยเดี๋ยวเดียวมันก็หายแล้ะคำถามจากนายสมศักดิ์ทุกคนต้องตายตายแล้วไปไหนครับ อ, อ๋อล่างกายก็ไปเมรุไม่ต้องถามเรา <c oughs> ไปเมรุไปป่าช้า <c oughs> ก็เห็นกันอยู่แล้วออแต่ใจผู้ ใช้ร่างกายสั่งร่างกายก็ไปไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้ถ้าบาปพาไปก็ไปอาบายสี่ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายไปตกนรกถ้าบุญพาไปก็ไปเป็นเทพชั้นต่างๆหรือถ้านั่งสมาธิได้บุญจากสมาธิก็ไปเป็นพรหมถ้าได้บุญจากวิปัสสนาจากปัญญาก็ไปเป็นพระอริยเจ้าปนะ่ยก็คืที่ไปของใจ เราเรามีสองส่วนไงส่วนร่างกายก็ไปที่เดียวกันไปที่วัดไปที่เมรแต่ใจนี้แล้วแต่บุญแต่บาทที่เราทำเราไปคนละที่กันทานอาหารท่านก็ไปนิพพานพวกนั่งสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปพรหมสวรรค์ชั้นพรหมพวกทำบุญไม่ทำบาปก็ไปสวรรค์ชั้นเทพพวกไม่ทำบุญไม่ทำบาปก็กลับมาเป็นมนุษย์ พวกที่ทำบาปไม่ทำบุญก็ไปเป็นเนรช้างไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกตลกกันแล้วก็พอหมดบุญหมดบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่คำถามจากคุณหวานหวานความคิดถึงพ่อแม่ที่เสียไปทําให้ตัวเราเศร้าร้องไห้ทุกครั้งจนจิตใจอ่อนแอ ม, มากค่ะ ขอคําแนะนําด้วยเจ้าค่ะก็อย่าไปคิดสิก็พูดโทพูดโธไปทุกครั้งที่จะคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วทําให้เราเศร้าก็อย่าคิดแต่ถ้าคิดแล้วไม่เศร้าก็คิดได้ลองคิดถึงบุญคุณของเขาคิดถึงความดีของเขา อ, อแล้วก็ก็อาจจะทําให้เราไม่เศร้าก็ได้แต่ถ้ายังเศร้าอยู่ยังทําใจไม่ได้ก็อย่าพิ่งไปคิดเอตอนนี้มันเหมือนกับใจมันมีแผละพอไป พอเอาอะไรไปเขี่ยใจหน่อยมันก็เจ็บนะตอนนี้มันมีแผลเพราะรักพ่อรักแม่แล้วพ่อแม่เสียไปก็อยากให้พ่อแม่กลับมาอยากจะอยู่กับพ่อแม่ต่อแต่พอคิดแล้วเขาไม่กลับมาก็เลยยิ่งทุกข์ใหญ่ตอนนั้นก็อยากพึ่งไปคิดอย่าพุโทโธพุโทโธไปจนกว่าแผลในใจหายแล้วค่อยคิดถึงเขาต่อไปได้คำถามจากคุณประหยัดนั่งภาวนาพุโทโธหนึ่งชั่วโมงห้านาทีสุดท้าย ปวดมากผ่านไม่ได้สักทีทําอย่างไรครับมีแต่พุทโธกับการปวดทุกข์มากครับก็ต้องสู้มันต้องพยายามเอาพุทโธให้ให้ได้มากๆอยู่กับพุทโธไปให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดนะถ้าเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวเราเราจะลืมเรื่องความเจ็บความปวดนัมันจะไม่เจ็บมันจะไม่ปวดเท่าที่เวลาที่เราไปคิดถึงมันพอเวลาเราคิดถึงมันเราจะอยากให้มันหายอยากจะหนีจากมันไป มันก็ยิ่งทำให้ใจเราปวดใหญ่ปวดสองชั้นแต่พอเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บความปวดเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะเหลือชั้นเดียวเ ห, หลือปวดที่ร่างกายปวดใจจะไม่มีพอใจไม่ปวดมันก็จะอยู่กับความปวดของร่างกายได้เ <Yeah. S 1> ันพยายามพุโทโธไปเวลาเันเจ็บอย่าหยุดต้องขยันต้องยอมขาดใจตายไปกับพุโทโธเหมือนกับเครื่องบินกาลังจะตกนี่ครับพุโทโธพุโทโธไปยมกล่ามันจะกระแทกพื้นไปเลย เราจะไม่ทุกคำถามจากลุงเก๋การปฏิบัติธรรมแบบทํางานโดยไม่มีการเดินจงกรมหรือนั่ง ก, กาหนดสมาธิเลยคือเอาสมาธิจากการทํางานเท่านั้นจะได้หรือไม่ครับและจะก้าวหน้าหรื <c oughs> อว่าเขาไม่เรียกว่าสมาธิเขาเรียกว่าสติคือเราทํางานแล้วมีสติแล้วก็กําลังฝึกสติแต่นจะเป็นสติที่ไม่ค่อยมีกําลังมากเพราะเป็นสติที่ต้องใช้ความคิด จิตต้องคิดอยู่งแต่ว่ามันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ไปคิดเรื่องที่จะทำให้ฟุ้งซ่านแต่มันจะไม่หยุดคิดถ้าอยากจะให้ได้สมาธิต้องทำสติแบบหยุดคิดคือให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวไม่คิดอะไรเลยมันถึงจะได้สมาธิคำว่าสมาธิก็คือจิตตึงจิตสงบจิตว่างจิตเบาจิตเย็นจิตสบายเรียกว่าสมาธิแต่ขณะที่เรามี ทำอะไรอยู่แล้วเราจดจอ่ออยู่กับการกระทำเราเรียกว่ามีสติไม่ใช่มีสมาธิคบถามจากคุณคิดดีทำดีลูกเล่นเกมซึ่งก็ตัดเตือนได้บ้างแต่บางเกมมีปืนหรือเป็นเกมรุนแรงกลัวว่าถ้าเล่นเกมพวกนี้บ่อยๆจะทำให้จิตใจอยา ก, กร้างทุกวันนี้ก็ให้เขาสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนเขาก็ทำค่ะบางทีก็เครียดบ้างเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะ ก็ททททํําาาาเเ่่ีรจะได้คำถามจากคุณขวัญคนที่ชอบถ่ายรูปพระถ่ายรูปเวลาไปทําบุญเยอะๆเวลาพระเทศให้พรก็ถ่ายรูปตลอดเหมาะสมไหมคะก็แล้วแต่กาลเทศสารถ้าเวลาที่ควรจะฟังเทศก็ไม่ควรจะถ่ายรูปคือต้องทําให้มันถูกกับกาลเทศะถ่ายรูปพระมันก็ไม่เสียหายตรงไหน เพแต่ว่าต้องให้มันเหมาะสมกับเวลาเวลาฟังธรรมก็ไม่ควรที่จะไปถ่ายเวลาพระให้พรก็ไม่ควรจะถ่ายควรจะรับพรเวลาอื่นหาเวลาที่ที่ถ่ายได้ค่อยถ่ายมัลนละค่ะวันละเนี่ยก็ดีพอดีวันนี้มีพระมาจากวัดอื่นท่านจะมาคารวะมาก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้